สามสิบแปดอารอติสอารอติสในรถแท็กซี่แท็กซี่มาดีแท็กซี่มาดีช่วยเรียกรถแท็กซี่ให้ด้วยค่ะกรุแท็กซบวกรุปแท็กซบลว ไปสถานีราคาเท่าไรคะ Station Parienta Janessa Thi คิดีบาร์เดออาการนาร์ s t a t i ा n p a r i e n ิไปสนามบินราคาเท่าไรคะระอา Parienta Janessa Thi คाดีบาร์เดออาการนาร์วิมา त ตระอาा स ा i e n t ิกรุณาตรงไปค่ะ กรุปยาสระล์ปูดเฮชัลลากรุปยาสระล์ปูดชณาช่วยเลี้ยวขวาตรงนี้ค่ะ क ร प य ाา क อกดูนอุจวีคดีบดะกรุปยาเอกดูน ड े व วีคดรุณาช่วยเลี้ยวซ้ายตรงหัวมุมค่ะกรุปยาที่าโคปรยาเอกดูนดาวีคดีा क ะกรุปยาที่าโคปรยาเอกดูนดาวีคด ดิฉันรีบมีไหต์อมีไตอาเดิฉันมีเวลาอ ता म าเมลาสวตามลาสวัอาเรุณาขับช้าลงได้ไหมคะกรุปยาฮลูाาลวากรุป ह ลูลวารุณาจอดรถที่นี่ค่ะ กรุาอทบากรุปาอิทธิธัมบารุณารอสักครู่นะคะกรุปยาขชนบาร์ธับากรุปยาขชนบาร์ธับาเดี๋ยวดิฉันกลับมาค่ะมีลักจิตปรากฏเยอะโตมีลักจิขอใบเสร็จให้ดิฉันด้วยนะคะ क รุปाาหมาाาพาวตีเดียกรุปยาหมาลาพาวตีเดียดิฉันไม่มีเงินถอนมา झ าจาวร์สุทै์เต้เพย์เซ่นาฮ व ตมาจ्จาสุทธ์เเนาไม่เป็นไรที่เหลือนี้ให้คุณค่ะที่ค ह े राहिलेले पैसे ठेवा ย่เทวาต ह มที่ค่ะเหรเลเล่เเทวาตุ ขับไปส่งดิฉันตามที่อยู่นี้ค่ะมล่ะเฮพัตเ์วนสละมลันขับไปส่งที่โรงแรมของดิฉันด้วยค่ะ म ล่ะมาจาโฮเทลเอร์อนสละ च च ม ล, ละ่ะเฮียโทลเวอร์อลขับไปส่งดิฉันที่ชายหาดค่ะ म ล่ะสระอินารाเวอร์เกนสละ च च ม ล, ละ समुत्र केनार्यावर घेउन चला